ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบุญญาสัมปันโนจากหนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์เสนอตอนที่สิบพรรษาที่เจ็ปีพุทธศักราช2483จำพรรษาที่วัดเจดีหลวงตำบลพระสิงห์อำเภอเงมืองจังหวัดเชียงใหม่ หล ต, ตามหาบุญญาณสัมปันโนได้กล่าวโอวาธรรมเอาไว้ว่าชีวิตของสมณนะคือความเป็นผู้มีศีลอันบริสุทธิ์เป็นชีวิตอันสดชื่นเราผู้เป็นสมณะสากยบุตรที่มีศีลบริสุทธิ์ไม่จําต้องเกิดทันพระพุทธเจ้าโดยทายเดียวในเกิดการใดสถานที่ใดหรือเป็นลูกเต้าเหล่าชาบชั้นวันหน้าใดก็คือสมณะสากยบุตรคนหัวปีคนกลางและคนสุดท้องโดยสมบูรณ์อยู่นั่นเอง เช่นเดียวกับพ่อแม่มีลูกหลายคนซึ่งต่างเกิดในสถานที่และเวลาต่างกันแต่ก็เป็นลูกของพ่อของแม่โดยสมบูรณ์ด้วยกันฉะนั้นท่านจงเป็นผู้มีาศาสดาคือธรรมวินัยอยู่กับกายวาจาใจในทุกกิริยาบทเธอไม่มีสิ่งใดจะแน่นอนและตายใจได้ในความหลุดพ้นยิ่งกว่าพระธรรมวินยัยอันเป็นนิยันกระทานี้เลยท่านอย่ามอง อย่าคิดเรื่องอะไรมากไปกว่าการคิดเพื่อพระธรรมเพื่อวินัยอันเป็นพระนามของพระศาสดาน้อมสงเคราะห์เข้ามาสู่ตนความบริสุทธิ์หลุดพ้นจะเป็นสมบัติอันล้นค่าของท่านแต่ผู้เดียวดังนี้ผู้ปฏิบัติเป็นมัชชิมาตามหลักธรรมมีแสดงไว้ว่าศีล ส, สมาธิปัญญาคือการที่ควรมีศีลก็ควรสนใจในศีล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 คือผู้มีมารยาทกายวาจาใจงดงามความงามของสมณะคือความประพฤติอันแสดงออกทุกอาการไม่มีที่ต้องติสมณะมีพระวินัยเป็นคู่ชีวิตความเป็นอยู่คือสมณะที่เย็นเย็นทั้งอยู่คนเดียวเย็นทั้งอยู่กับหมู่คณะและสังคมทั่วไปอยู่ในป่าในเขาหรือรเผชิญอันตรายต่างๆก็ไม่มีอะไรกล้าทําลายเทวดารักษาประชาชนรักชอบพระวินัยเป็นทั้งปุ๋ย เป็นทั้งรั้วกั้นมรรคและผลไม่ให้รั่วไหลแตกซึ่งหลุงตามหาบุญยนัสันปโนได้ล่ามประวัติของท่านในตอนนี้เอาไว้น่าคิดและน่าฟังมากว่าแม้ว่าเราจะยังไม่เคยพบเห็นท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตมาก่อนเลยก็าตาม แต่ความที่เธอได้ยินกิติศักดิ์กิติคุณของท่านผู้ขึ้นกำจรองำจายมาจากทางจังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลานานแล้วว่าท่านเป็นพระสำคัญรูปหนึ่งโดยมากผูท้ที่มาเล่าเรื่องของท่านให้ฟังนั้นจะไม่เล่าคุณธรรมขั้นอริยภูมิธรรมดาแต่จะเล่าถึงท่านพระอรหัตภูมิของท่านเลยทีเดียวจึงเป็นเหตุให้มั่นใจว่าเมื่อเราได้ศึกษาเล่าเรียนให้เต็มภูมิ ตามคำสัตย์ของตนที่ตั้งไว้แล้วอย่างไรเราจะต้องพยายามออกปฏิบัติและไปอยู่สำนักของท่านและศึกษาอบรมกับท่านเพื่อจะตัดข้อข้องใจสงสัยที่ฟังอยู่ในขณะนี้ให้จนได้ว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่จริงหรือไม่ึกตั้งสัจจะอธิฐานขึ้นมาว่าขอให้เราได้พบครูบาอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งมาชี้แจงในเหตุในผลเรื่องของมรรคผลนิพพานว่า ยังมีอยู่ด้วเหตุนั้นๆให้เราได้ถึงใจเท่านั้นแหละเราจะมอบกายถวายตัวต่อครูบาอาจารย์องค์นั้นด้วยและเราจะมอบหัวใจเราลงสู่อรัตผลนั้นด้วยตายก็ตายยังไม่ได้ก็ตามให้ตายอยู่ในสนามรบหลุงตามหาบัว ในล่าประวัติของท่านในตอนนี้ต่อไปอีกว่าครั้นเมื่อเราเดินทางไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ก็พอดีบังเอิญท่านพระจารย์มั่นถูกท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจังหวัดอุดรธานีอารัธนานิ่มตนให้ท่านกลับไปพักจำพรรษาที่จังหวัดอุดรธานีท่านพระจารย์มั่นท่านกำลังออกเดินทางออกจากป่ามาพักอยู่ที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ไล่เลี่ย ก, กันกับทางเรานี้ไปถึงจังหวัดเชียงใหม่พอเราได้ทราบข่าวว่า ท่านพระจารย์มั่นท่านมาพักอยู่ที่วัดเจดีหลวงเท่านั้นก็ เ, เกิดความปีติอินดีเป็นล้นพ้นตอนเช้าออกไปบินธบาตกลับมาได้ทราบจากพระเล่าให้ฟังว่าเมื่อเช้านี้ท่านพระจารย์มั่นออกมาบินธบาตสายนี้และจะกลับมาทานเดิมดังนี้ก็ยิ่งเป็นเหตุให้เรามีความสนใจใครจะอยากพบและเห็นท่านมากยิ่งขึ้นแม้จะไม่ได้พบท่านซึ่งๆ่งหน้าก็ตาม เพียงขอให้แอ บ, บมองท่านก็เป็นที่พอใจแล้วพอรุ่งสางเช้าวันใหม่ก่อนที่ท่านจะออกบิทบาศเราก็รีบไปบิทบาศแต่เช้าแล้วกลับมาถึงกุฏิก็คอยสังเกตสังการตามเส้นทางที่ท่านจะเดินผ่านมาคอยจ้องคอยมองดูอยู่ไม่นานนักก็ได้เห็นท่านเดินผ่านมาจึงรีบเข้าไปในห้องแล้วจึงส่งสายตาสอดส่องดูท่านอย่างลับๆ ด้วยความหิวกระหายใคร่พบท่านมาเป็นเวลานานแสนนานเมื่อได้เห็นองค์ท่านจริงๆก็ยิ่งเพิ่มความศรัทธาเลื่อมใสในองค์ท่านขึ้นอย่างเต็มที่คิดในใจขึ้นว่าเราไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เห็นพระอรหันต์ในคราวนี้เองแล้วทั้งๆ ท, ที่ไม่มีใครบอกว่าท่านพระจารย์มั่นเป็นพระอรหันต์เลยในขณะที่สายตาได้มองเห็นท่านเท่านั้นใจมันยางลึกฝังลึก เชื่อแน่วแน่ลงไปอย่างนั้นพร้อมทั้งเกิดความปีติยินดีจนขนพองสิหยองกล้าวอย่างบอกไม่ถูกทั้งทั้งที่องค์ท่านก็ไม่ได้มองมาเห็นเราเลยในคราวนั้นได้ฟังเทศของท่านในวันวิสาขาบูชาด้วยความสนใจเป็นอย่างยิ่งท่านพระอาจารย์มั่น แสดงธรรมสามชั่วโมงพอดีกินจบกันท่านเทศเป็นที่จับจิตจับใจอย่างฝังลึกยังไม่มีวันลืมเลือนตลอดจนมาถึงปัจจุบันนี้ใจความสำคัญของธรรมที่ท่านประจารย์มั่นแสดงในวันนั้นมีความว่าวันนี้ตรงกับวันพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และพระนิพพานเราเรียกว่าวันวิสาขาบูชาพระพุทธเจ้าเกิดกับสัตวโลกเกิดต่างกันอยู่มาก ตรงที่ท่านเกิดแล้วไม่หลงโลกที่เกิดที่อยู่และที่ตายไม่นำยังกลับรู้แจ้งที่เกิดที่อยู่และที่ตายของพระองค์โดยพระปัญญายาณโดยตลอดทั่วถึงที่เรียกว่าตรัสรู้นั้นเองเมื่อถึงการอันควรจากไปทรงลาขันที่เคยอาศัยเป็นเครื่องมือบำเพ็ญความดีมาจะถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่แล้วจากไปแบบสุขโตสมกับเป็นศาสดาของโลกทั้งสาม ไม่มีที่น่าตำหนิแม้แต่น้อยก่อนเสด็จจากไปโดยพระวรากายที่หมดหนทางเยียวยาก็ได้ประทานพระธรรมไว้เป็นองค์แทนศัสดาซึ่งเป็นที่น่ากราบไหว้บูชาผู้เพิ่งเป็นเพิ่งตายถวายชีวิตจริงๆเราทั้งหลายต่างเกิดมาด้วยวาสนานีบุญพอเป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มภูมิดังที่ทราบอยู่แ จ, จ้งใจแต่อย่าลืมตัวหรือศาสนาของตัว โดยลืมสร้างคุณงามความดีเสริมต่อพบภพตอชาติของเราที่เคยเป็นมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงและจะกลับกลายหายไปชาติตาแสามที่ได้ปรารถนาจะกลับมาเป็นตัวเราเข้าแล้วแก้ไม่ตกความสูงสัตว์ความต่ำทรามความสุขทุกทุกขั้นจนถึงบรมสุขและความทุกทุกขั้นจนถึงขั้นฐันระทุกเหล่านี้มีได้กับทุกคนตลอดสัตว์ถ้าตนเองทําให้มีอย่าเข้าใจว่าจะมีได้เฉพาะ ผู้กำลังเสวย อ, อยู่เท่านั้นโดยผู้อื่นมีไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติกลางแต่กลับกลายมาเป็นสมบัติจำพาะของผู้ผลิตผู้ทําได้ฉะนั้นท่านจึงสอนไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามกันเมื่อเห็นเขาตกทุกข์หรือกําลังจนจนหน้าทุเรศเพราะอาจมีเวลาเป็นเช่นนั้นหรือยิ่งกว่านั้นก็ได้ เมื่อถึงวรรคเข้าจริงๆไม่มีใครมีอำนาจหลีกเลี่ยงได้เพราะกรรมดีกรรมชั่วเรามีทางสร้างได้เช่นเดียวกับผู้อื่นจึงมีทางเป็นได้เช่นเดียวกับผู้อื่นและผู้อื่นก็มีทางเป็นได้เช่นที่เราเป็นและเคยเป็นศา ส, สนาจึงเป็นหลักวิชาตรวจตราดูตัวเองและผู้อื่นได้อย่างแม่นยำและเป็นวิชาเครื่องเลือกเฟ้นได้อย่างดีเยี่ยมไม่มีวิชาใดในโลกเสมอเหมือน นับแต่บวดและปฏิบัติมาอย่างเป็นกําลังจนถึงวันนี้มิได้ลดละการตรวจตราเลือกเฟ้นสิ่งที่ดีชั่วที่มีและเกิดอยู่กับตนทุกระยะมีใจเป็นตัวการผาสร้างกรรมประเภทต่างๆจนเห็นได้ชัดว่ากรรมยิอยู่กับผู้ทํามีใจเป็นต้นเหตุของกรรมทั้งมวลไม่มีทางสงสัยผู้สงสัยกรรมหรือไม่เชื่อกรรมว่ามีผลคือคนลืมตนจนกลายเป็นผู้มืดบอดอย่างช่วยอะไรไม่ได้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 ให้เป็นอยู่ตามการของมันการทำเพื่อร่างกายถ้าไม่จัดว่าเป็นกรรมคือการกระทําจะควรจัดว่าอะไรสิ่งที่ร่างกายได้รับมาเป็นประจำถ้าไม่เรียกว่าผลจะเรียกว่าอะไรจินจะถูกตามความเป็นกินดีชั่วสุขทุกที่สัตว์ทั่วโลกได้รับกันมาอยู่โดยตลอดสายถ้าไม่มีแรงหนุนเป็นต้นเหตุอยู่แล้วจะเป็นมาได้ด้วยอะไรใจถ้าอยู่เฉยเฉยไม่ขนองคิด ในลักษณะต่างๆอันเป็นทางมาแห่งดีและชั่วคนเราจะกินยาตายหรือฆ่าตัวตายได้ด้วยอะไรสาเหตุแสดงอยู่เต็มใจที่เรียกว่าตัวกรรมแลทําคนจนถึงตายยังไม่ทราบว่าตนทํากรรมแล้วถ้าจะไม่เรียกว่ามืดบอดควรจะเรียกว่าอะไรกรรมอยู่กับตัวและตัวทํากรรมอยู่ทุกขณะผลก็เกิดอยู่ทุกเวลาอย่างสงสัยหรือไม่ชื่อกรรมว่ามีและให้ผลแล้วก็สุดขนทาง ถ้ากรรมวิ่งตามคนเหมือนสุนัขวิ่งตามเจ้าของเขาก็จะเรียกว่าสุนัขเท่านั้นเองไม่เรียกว่ากรรมนี้กรรมไม่ใช่สุนัขแต่คือการกระทำดีชั่วทางกายวาจาใจต่างหากผลจริงคือความสุขทุกข์กที่รับกันอยู่ทั่วโลกกระทั่งสัตว์ผู้ไม่รู้จักกรรมรู้แต่กระทาคือหาอยู่หากินที่ทางศาสนาเรียกว่ากรรมของสัตว์ของบุคคลและผลของกรรมของสัตว์ของบุคคลกันเทศกันนี้ ที่ท่านพระอาจารย์มั่นแสดงเราได้ฟังด้วยตัวเองอย่างถึงใจดังที่ใฝ่ฝันในองค์ท่านมานานแสนนานในคราวนั้นท่านพระอาจารย์มั่นท่านพักอยู่ที่วัดเจดีหลวงได้ไม่นานเท่าไหรนักท่านจึงเดินทางมายังจังหวัดอุดรธานีกับคณะลูกศิษย์ของท่านหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน เ, เล่าประวัติของท่านในขณะศึกษาพระประยธรรมไว้ต่อไปอีกว่าเราตั้งใจเรียนหนังสือ เพราะเรานิสัยเป็นคนเอาจริงเอาจังมาแต่ไหนแต่ไรคณะเรียนได้ตั้งกฎกติกาเอาไว้ว่าจะเรียนเพียงจบมหาสารประโยคเท่านั้นก็น่าจะพออยู่พอกินพอเป็นพอไปกับการประพฤติปฏิบัติของเราวิชาขนาดเป็นมหาแล้วคงจะไม่จนตรอเราสอบรเรียนตกอยู่สองปีปีที่สามตีสอบได้นักทันตรีนักทันโทนักธรรมเอกก็ได้เตรียมพร้อมกันเรียนหนังสืออยู่เจปี จิตนี้รวมได้ถึงสามหนเรียนหนังสือก็รู้ว่าหนักและสมองชื่อใครไทก็เรียนหนังสือเหมือนกันคงจะทราบเหมือนกันเราเอากิงเอาจังเป็นกระทั่งสมองชื่อไม่ทางนานก็ไม่หนักถ้าไม่ได้มีภาคปฏิบัติเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้พอมีภาคปฏิบัติเข้ามาเกี่ยวข้องภาคนี้เป็นภาคสละตายภาคไม่มีเวล่ำเวลาภาคต่อสู้ไม่มีการให้น้ํากันจึงหนักมาก หลวงตามหาบุญยนสัมปันโนถึงเล่าประบัติของท่านให้สานสิทธิ์ฟังต่อไปอีกว่าเราจากวัดเจดีหลวงเชียงใหม่ก็มาที่วัดบรมนิวาสกรุงเทพในระยะนั้นท่านเจ้ากุญพระชกวีพิมรมั ท, มทโรท่านเดินทางไปต่างจังหวัดเราจึงได้โอกาสเข้ากราบราเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาบิงฑ์ติดโสอ้วนก่อนจะไปได้วาพระสวดมนต์และตั้งสัจจะทิฏฐานต่อหน้าพระตนทรยัย อย่างแม่นมั่นในเวลาค่าคืนดึนสนกสงัดวันนั้นว่าข้อที่หนึ่งถ้าหากว่าข้าพระเจ้าจะออกไปปฏิบัติธุดงกรรมาฐานแล้วจะได้สำเร็จตามความมุ่งหมายโดยสมบูรณ์เขาให้กิจนี้แสดงนิมิตอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นให้สมกับภูมิธรรมที่ข้าพระเจ้ามุ่งหมายเถิดข้อที่สองถ้ า, าข้าพระเจ้าออกไปปฏิบัติธุรงกรรมาฐานแล้วไม่สาเร็จตามความมุ่งหมาย ขอให้ดวงกิจดวงนี้แสดงนิมิตเป็นข้อเทียบเทียงว่าออกไปปฏิบัติแล้วข้อทะเลทลายไม่ได้เรื่องเรื่ราวอะไรให้ทราบเถิดข้อที่สถ้าข้าพเจ้าจะไม่ได้ประสบผลทั้งสองอย่างคือไม่ได้ออกไปปฏิบัติทุดดกรรมฐานด้วยหรือออกไปปฏิบัติทุดดกรรมฐานแล้วไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรด้วยขอให้กิจดวงนี้แสดงนิมิตให้ทราบด้วยเถิดด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย ขอให้นิมิตแสดงในสามวารานี้จะพึงแสดงให้รู้โดยทางนิมิตภาวนาหรือจะพึงแสดงให้รู้โดยทางสุบินนิมิตก็ได้หลวงตามหาบุญยนัสัมปนโนได้เล่าถึงนิมิต ท, ที่ท่านหาเหาะรอบเมืองทองคําเอาไว้ว่าจากนั้นเราจึงเข้าที่สมาธิภาวนาและเขาพักอิรีบทจําวัดประมาณหกทุ่มได้เกิดสุบินิมิตอย่างน่าอัศจรรย์มากว่า เราได้หอบเปลวไปในอากาศอย่างสะดวกสบายเหาะเดินวนเวียนรอบพระนครหลวงอันเป็นพระนครอัศจรรย์ดังเมืองสวรรค์ชั้นฟ้ามองไกลโพ้นสุดสายตากว้างขวางสุดประมาณเรากะว่าเมืองไทยเราทั้งเมืองเป็นเมืองหลวงโดยสิ้นเชิงตึกรามบ้านช่องเป็นประหดหอปราสาทราชมนเทีนีมีใช่เป็นบ้านเป็นเรือนของผู้คนธรรมดามีความสง่าผ่าเผยประดับ ด้วยแสงสีทองอารามแวววาวพร่งพร่ า, ปราวป ร, ประยิบประยับเป็นประหนึ่งว่าลูกในตาของชนที่มองเห็นจะถึงซึ่งอาการถลนแตกออกเป็นสิ่งเสีย ง, ยงพระแสงสว่างแพรวเพียจรัสของสีแสงแห่งมุม น, นั้นยิ่งเพ่งมองเข้าไปเท่าใดยิ่งเหมือนกับว่าเป็นเมืองแห่งทองคำทั้งแท่งตึกรามบ้านช่องเป็นประหลุดทองคำธรรมชาติส่องทอแสงกระจายกระดกกร้า เราได้เหาะบวนถึงสามรอบแล้วก็ลงในมิตนั้นยังติดตาตรึงใจเสมอมาไม่มีวันลื่นเลือนพูดสรุปง่ายๆเราก็แน่ใจแล้วว่าครานี้อย่างไรต้องได้ออกปฏิบัติกรรมฐานอย่างแน่นอนและแน่ใจว่าจะต้องประสบผลสำเร็จพอตื่นเช้ามาเข้าเข้าไปกราบลาท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาบิวงบ์ติดโสอ้วนท่านก็อนุญาตในทันทีเราก็หนีไปในเวลานั้นเช่นเดียวกัน พูดถึงวัดบรมนิวาสนี้เราก็นึกขึ้นมาได้ว่าหลังจากที่เราออกปฏิบัติแล้วเราเคยมาพักที่นี่พระผู้ใหญ่ของวัดให้เราไปพักที่กุฏิมีผีเปรดอยู่เพราะไม่มีใครอยู่ได้พอเราเข้าไปอยู่กุฏิหลังนั้นก็เงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้แต่น้อยท่านเจ้าคุณท่านถึงกับพูดว่าแหมพระกรรมฐานเจ่งธรรมนี้เป็นธรรมเหนือผีเปรดอย่างแท้จริง